ขณะเดียวกันการให้ทานก็นำมาซึ่งความสุขสตรีใดที่มีคุณธรรมดังกล่าวไปคือสตรีที่ให้ทานรักษาศีลนะเป็นพระอริยสาวะเป็นอริยะสาวกาเป็นผู้ที่ครอบงําความตนียินดีในการให้ทานแล้วปฏิบัติเพื่อความสุขเนี่ยนะสตรีนั้นอาศัยมักคือข้อปฏิบัติอันนั้นปราศจากทุรีคือราคะเป็นต้นไม่มีกิเลสเครื่องยั่วใจย่อมได้กําลัง อ, นนะอายุโทภลาโทตีโรเนี่ยนะก็คือย่อมได้กําลังได้อายุเนี่ยนะอันเป็นทิพนะหมายคก็ว่าชีวิตในชาตินี้จะอยู่กันสักกี่ปีเชียวใช่ไหมถ้าจุติจากภพนี้ไปล่ะนั่นแหละก็จะได้กําลังที่เป็นทิพจะได้อายุที่เป็นทิพสตรีผู้ประสงค์บุญนั้นเป็นคนมีความสุขสมบูรณ์ด้วยอนามัย น, นะนะอนามัยก็คือความไม่ป่วยไม่ไข้ไม่มีโรค ย่อมปลื้มใจในสวรรค์สิ้นกาลนานเพราะฉะนั้นตอนนี้นางวิสาขาปลื้มใจในสวรรค์ชัน้นนิมมานารดี น, นะตอนที่นางทําเหตุสมัยนั้นเนี่ยนะคนที่ต์หนีนี้บอกทําใจไม่ได้ทําไมนางวิสาขาให้ขนาดนั้นพอตอนนี้นางวิสาขาเสเวยความสุขในสวรรค์ชัน้นนิมมานารดีพระพุทธเจ้านั้นตรัส ถ, ถึงสวรรค์ชัน้นนิมมานารดีพูดอย่างนี้ไม่ได้เอาสวรรค์มาขายนะแต่เล่าให้ฟังตามคัมภีร์ บอกว่าสวรรค์ชั้นนิมมานาราดีนี้มีอายุเท่าไร่วันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นนิมมานาราดีเท่ากับแปดร้อยปีของพวกเราวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเนะ่เท่ากับแปดร้อยปีของของเราเพราะฉะนั้นสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีมีอายุอย่างนี้แปดพันปีทิศแปดพันปีทิศแปดพันปีทิศนี่นะก็ หลายร้อยล้านปีหลายร้อยล้านปีมนุษย์นะเพราะฉะนั้นก็เราตายเกิดอีกเป็นร้อยร้ยครั้งนั่นแหละนางวิสาขาจึงจะหมดบุญจา ก, จา ก, จากนิมมานารดีถ้านางจุติจากนิมมานารดีน ะ, ะนางวิสาขาเป็นประเภทเ ว, ตตเวัตตะพิรติเนี่ยนะแปลว่าผู้ยินดีในวัตตะไอะ้คำว่ายินดีในวัตตะนี่หมายคือว่าท่านเป็นพระอริยาสาวกแต่ก็ยังเพลิดเพลินในวัตตะ คือท่านจะค่อยๆเคลื่อนนะจุติจากนิมมานารดีก็ไปเสวยผลบุญอยู่ในปรนิมมิตตวะสวัสดีจนตลอดอายุไขอายุไขก็คือปรนิ ม, มิตตวะสวัสดีนั้นอ่ะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับพันหร้อปีของเรานะสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีก็มีอายุพันหร้อปีทิพย์เนี่ยนะก็ประมาณ500ร้อยกว่าล้านปีของเราทั้งหลาย นะก็จุติจากนั้นก็นางก็เคลื่อนไปเกิดในพรหมโลกนะจุติพรหมโลกจากพรหมสู่พรหมโน้นไปไปเกิดในสุดทาวาสเนี่ยนะอวิหาอาวิหะก็หลายร้อยกับนะอายุเขาเป็นกลับแล้วคันนี้เลื่อนจากไม่ใช่ปีธรรมดาแนละ้วเป็นอายุเป็นกับอวิหาอัตตาสุทธาสุทธิสีสอากคนิฐานางวิสาขาไปปรินิพานที่พรหมโลกชั้นอากคนิทภพเนี่ยนะโน้น นั้นความสุขอีกนานนั่นเป็นผู้ที่เขาสั่งสมบุญไว้ดีเขาเป็นอย่างนั้น น, นะซึ่งเราทั้งหลายก็หลายท่านก็มาเจริญรอยเป็นลูกหลานของนางวิสาขากันนะนะได้ข่าวว่าเป็นอย่างนั้นก็อนุโมทนาด้วยนะนะแต่ที่สําคัญก็เจริญรอยให้แบบอะไรให้เป็นอริยะสาวกด้วยนะให้เป็นพัสดาบันด้วยพูดถึงการให้ทานเนี่ยนะใน การให้ทานนะแบ่งออกเป็นสองลักษณะใช่ไหมให้ทานเพื่อการบูชากับให้ทานเพื่อการสงเคราะห์เนี่ยนะให้ทานเพื่อการสงเคราะห์เห็นสัตว์เดรัจฉานอดอยากหิ้วห้ยเป็นต้นการให้ทานแก่พวกเดรัจฉานทั้งหลายการให้ทานกับมนุษย์ยากจนขัดสนการสงเคราะห์เด็กเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการให้ทานแต่การให้แบบนี้เป็นการให้เพื่อการสงเคราะห์เนี่ยนะให้เพื่อสงเคราะห์ อย่างบางคนก็บอกว่าเขามีเงินอย่างมีใครให้สตังไปกินขนมเนี่ยนะเก็บค่าขนมที่ตัวเองจะกินเนี่ยเอาไว้ซื้อขนมแจกคนอื่นให้ทานก็มีบางคนเนี่ยมีมีครูอนุบาลบางคนเนี่ยนะได้เงินเดือนเนี่ยเอาไว้เลี้ยงพวกเด็กอนุบาลหมดแทบตัวเองแทบไม่ค่อยเหลืออะไรเพราะนั่นพวกนี้ยินดีให้ทานแต่การให้ประเภทนี้เป็นการให้เพื่อการ สงเคราะห์เนี่ยนะบางคนก็มีเงินเดือนทํางานต่างๆก็มีเงินเงินเหล่านั้นเอาไปไว้แจกทานเอาไว้ให้ทานอันนี้เรียกว่าให้การสงเคราะห์ไอ้ให้ไม่เป็นทานก็คือสิ้นเดือนแล้วซื้อเหล้าแจกพวกอันนี้ไม่เป็นทานอันนี้ไม่เรียกว่าการให้ทานอันนี้เรียกว่ามัมเมาบ้าคนเดียวยังไม่พอชโลพวกอื่นบ้าด้วยยังไงนีนะ่นี่ต่อไปการให้ทานอย่างที่สองเรียกว่าให้เพื่อบูชาให้เพื่อบูชาพระคุณ อันนะั้นว่าคุณในที่นี้คือคุณความดีให้เพื่อบูชาความปฏิบัติดีนนะความปฏิบัติตรงเป็นต้นก็ให้ทานแก่ผู้ที่มีศีลมีสุตะมีจารคามีปัญญาให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้กระทั่งให้ทานบูชาพระเจดียเป็นต้นเนี่ยนะบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ทานแต่เป็นการให้เพื่อการบูชา แล้ววัตถุที่ให้ทานมีอะไรบ้างวัตถุที่สามารถให้แล้วเป็นทานสิ่งที่ให้แล้วไม่เป็นทานก็อย่างที่ว่าให้ยาพิษให้เครื่องมือไปฆ่าเนี่ยนะโอ้ยสงเคราะห์ท่านให้ทานเอาปืนไปเลยเงี้ยนี่ไม่ใช่เป็นการให้ทานนะนั้นการให้ทานนั้นไม่ใช่เป็นการให้ยาพิษไม่ใช่เป็นการให้สุราไม่ใช่ให้เครื่องมือในการประหัตประหารอนพวกนี้ให้พวกนี้ไม่เป็นทาน ส่วนการให้เป็นทานก็คือให้พูดแบบพระสูตรก็ให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ระเบียบดอกไม้ของหอมประทีบโคมไฟพวกนี้ให้ยานคือรองเท้าเป็นต้นพวกนี้ก็ชื่อว่าเป็นการให้ทานวัตถุทานที่ให้ให้ที่นั่งที่นอนที่อยู่ที่อาศัยพูดถึงการให้ทานแบบพระพิธรรมพระพิธรรมนี่ให้ทานยังไง ให้รูปเป็นทานนะฮะให้ปลารบสีแล้วให้ทานรูปารมณังวาให้เสียงปลารบปลารบทานเนี่ยโดยการให้เสียงเรียกว่าศัทธารมณังวาคันธารมณังวาคือให้กลิ่นเป็นทานปรารบกลิ่นเป็นทานปลารบรสเป็นทานปรารบโพธิภะเป็นทานหรือปลารบธรรมรมเป็นทานบางคนนั้นปลารบสีสันเลยให้ทาน น, นะ บางคนนี่ปรารภเสียงแล้วให้ทานอาหารบางอย่างนี่ปรารภเสียงนีจึงให้ทานเช่นกรอบเป็นต้นหรืออะไรก็แล้วแต่บางพวกนี้ปรารภกลิ่นนอย่างบางคนถวายมะพร้าวเน้นน้ำมะพร้าวเขบอกว่าเออเนี่ยเขาปรารภกลิ่นก็ว่างั้นบางพวกก็ปรารภรสเช่นปรารภรสหวานหรือรสเปรี้ยวเป็นต้นบางพวกนี้ปรารภพธะะเนีนะเช่นต้องร้อนๆหรือต้องเย็นๆเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ปรารภ โพธะพะบางพวกก็ปรารบคุณค่าสารอาหารเป็นต้นอันนี้เรียกว่าปรารบธรรมรมนั้นให้ทาบางพวกให้ทานปลารบรูปปรารบเสียงปลารบกลิ่นปลาลบรสปรารบโพธะพระหรือปลารบธรรมรมเป็นต้นถ้าให้ทานตามแนวพระวินัยพระวินัยเนี่ยก็คืออะไรให้เครื่องนุ่งหม่มให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้ยาทั้งหลายเรียก ว, ว่าให้ทานปลารบตามแนว พระวินัยแต่สรุปว่าก็คือการให้อย่างเดียวกันนั่นแหละสรุปว่าให้วัตถุทานทั้งหลายให้วัตถุให้ข้าวของเครื่องใช้ให้เครื่องประกอบในการดำรงชีวิตวัตถุที่ให้ไปให้แบบมุตตจารโคนี่นะก็คือให้แบบสละให้แล้วให้เลยพ้นแล้วพ้นเลยอันนี้เรียกว่าเป็นการให้นี่ผู้ที่รับทานเนี่ยนะผู้ที่รับทานก็แบ่งออกเป็นให้แบบให้กับ บุคคลกับให้แก่หมู่คณะให้แก่กลุ่มให้แก่องค์กรเนี่ยนะให้แก่บุคคลก็รู้กันใช่ไหมให้ปลารบเจาะจงให้คนนั้นให้คนนี้ให้นายกนายขอนายงอเป็นต้นนายเจาะจงไปเลยอย่างที่สองก็คือให้ปลารบหมู่คณะปรารบกลุ่มการให้ปลารบหมู่คณะนะก็คือเช่นปลารบองค์กรต่างๆแล้วก็ให้ทานไปแต่ทีนี้ถ้ากลุ่มกลุ่มเหล่านั้นถ้ากลุ่มผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่า สงกลุ่มพระอริยะทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมวินัยปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์เรียกว่าอุทิศแก่หมู่คณะที่เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิปรารภสังฆคุณแล้วให้ทานอันนั้นแหละเรียกว่าถวายสังฆทานให้สังฆทานคือปรารภสังฆคุณแล้วให้ทานไม่ใช่สักต่ว่าอีมานิมายังพันเตภัตานิเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่啊 พิโคสังโคเป็นต้นไม่ใช่ประพูดโดยวาทะโดยคำพูดเพราะว่าสังฆทานอยู่ที่เจตนาเจตนาที่น้อมไปเพื่อหมูคนะ่คณะอุทิศแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตร ง, ป ฏ, ตตรงปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยไม่จํากัดผู้รับว่าจะต้องกี่คนแต่จํากัดว่าต้องเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติดีทีนี้ปฏิบัติดีนะั้น่ะไม่ใช่ประสงค์ตัวผู้รับนะแต่ใจเนี้ยอุทิศไปหา พระอริยะสงฆ์พระอริยะสาวกทั้งหลายอันนั้นเรียกว่าให้แก่เรียกให้เป็นสังฆทานซึ่งอา น, นิสงส์ของการให้ก็มีแสดงไว้หลายในใช่ไหมว่าถ้าให้แกเดระชานในทักษทินาวิพังกสูตรมีอา น, นิสงส์เท่าไหร่ร้อยชาติถ้าคูณหอย่างก็เท่ากับห้าร้อยชาติให้ทานกับผู้ปุตุชนคนทุศีนเป็นมนุษย์ทุศีลเนี่ยนะก็มีอานิสงส์พันชาติให้แก มนุษย์ผู้มีศีลมีศีลทั่วไปเนี่ยนะแต่ไม่ได้มีสาระอะไรนะเป็นคนดีว่างั้นเธอให้ทานกับคนดีทั่วไปเนี่ยเมีย น, นิสงส์แสนชาตินะถ้าหากว่าให้ผลแก่นักบวชนอกศาสนาที่เป็นกรรมวาทีกรรมวาทีบุคคลคือเป็นผู้ได้ฌานอภิญญาเนี่ยนะเมีย น, นิสงส์แสนโกฎชาตินะ ถ้าให้ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิพันธคือให้แก่อุบาสกเป็นต้นที่ถึงไตรสารณาคมปฏิบัติเพื่อทําโสดาปฏิพันธให้แจ้งให้ทานแก่บุคคลเหล่านี้หาประมาณไม่ได้มีผลหาประมาณไม่ได้จะกล่าวไปรยัยให้แก่พระโสดาบันให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิพันธยังมีผลมากจะกล่าวไปรยัยให้แก่พระโสดาบันทีนี้ให้พระโสดาบันหนึ่งคน ก็มีอันิี้สองน้อยกว่าให้แก่พระโสดาบันร <show> ้อยคนใช่ไหมให้พระโสดาบันร้อยคนก็มีผลน้อยกว่าพระสรกทาคามีคนเดียวให้พระสรกทาคามีร้อเอ่อคนเดียวก็มีผลน้อยกว่าพระสรกทาคามีรอ้อยคนยให้แก่พระสกทาคามีร้อยคนก็ <c oughs> มีผลน้อยกว่าพระอนาคามีคนเดียวให้แก่พระอนาคามีร้อยคนก็มีผลมากกว่าคนเดียวให้แก่พระอนาคามีร้อยคนก็มีผลน้อยกว่าพระอรหัน องเดียวให้แกพระอรหันทร้อยองค์ก็มีผลมากกว่าองค์เดียวให้แก่พระอรหันทร้อยองค์ก็มีผลน้อยกว่าพระปเจกพุทธเจ้าองค์เดียวให้แก่พระประเจกพุทธเจ้าเป็นร้อยองก็มีผลน้อยกว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่สมควรแก่ทักคินาทานผู้ควรแก่เครื่องสาการะบูชาควรแก่การให้ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุด พระพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้าบอกพูดถึงรายบุคคลที่ควรแก่การให้ทานเนี่ยทั้งโลกทั้งเทวโลกมาราโลกภรารมณ์ทั้งหมดนะถ้าให้แบบเจาะจงเป็นรายคนเนี่ยให้พระพุทธเจ้าเนี่ยมีผลมากกว่าทั้งหมดเนี่ยนะทีนี้แต่ถ้าหากว่าผลการให้ทานแก่พระพุทธเจ้าก็มีผลน้อยกว่าปราลบสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยนะมีผลมากกว่าถวายพระพุทธถวาย พระพุทธเจ้าอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าถวายพิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกก็เท่ากับบูชาพระรัตนไตรพร้อมกันเลยใช่ไหมถ้าให้ทานที่ให้ทานแก่พิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุ k นั้นชื่อว่าบูชาพระรัตนไตรที่สมบูรณ์สมบูรณ์อย่างไรสมบูรณ์ว่าพระพุทธเจ้าอะ น, นะพระองค์นั้นผู้ทําความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระองค์เองแล้วก็ยังสอนผู้อื่นอีกใช่ไหมผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนนั้นก็คือพระสงฆ์สาวกพระธรรมอยู่ที่ไหน พระธรรมก็อยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าให้แก่พระพุทธเจ้าให้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติดีตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาชื่อว่าได้บูชาพระตนะไตรเพราะฉะนั้นจึงมีผลมากมีอนิสงส์มาก <c oughs> ในเรื่องการให้ทานเนี่ยนะตามคำภีอังคุตรนิกายอัฏกนิบะอัฏกนิบาตเนี่ยนะ เป็นวักเลยวักเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานแค่แตกว่าทานวักเนี่ยนะอังคุตรนิกายอัฏการนิบาตข้อ1หนึ่งรยิเอดนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าพิกูุ์ทั้งหลายทานแปดประการนี้แปประการเป็นฉไหนหะนึ่งบุคคลให้ทานเพราะประจวบเข้ากับผู้รับจึงให้ก็เลยบอกว่ารอสัหน่อยแล้วจะให้อย่างเช่นเนี่ยนะ บางคนไม่ได้เคยตั้งใจจะให้ทานอะไรหรอกก็อยู่ๆก็เห็นผู้รับทานเ็าเดินมาเช่นเห็นพระพิสุท่านเดินมาบินธบาตไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเห็นท่านมาบอกนิมนรอหน่อยก็เลยจัดข้าวของแล้วก็ให้ทานไปอันนี้การให้ทานประเภทที่หนึ่งคือประจวบเหมาะแล้วจึงให้นนเคยไ้ยเวลาไปที่ร้านอาหารบางทีเห็นยมเขาเล่าว่า ไปที่ร้านอาหารเห็นพระพิสุไปนั่งฉันก็เลยบอกเออโยมเห็นพอดีบอกนีมนเดี๋ยวโยมจะถวายเองมื้อนี้นะบางคนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นนะของมาก็เคยไปฉันบางแห่งก็มีลักษณะนั้นนะอย่างที่สองบางพวกให้เพราะกลัวอย่างที่สองให้เพรากลัวเนี่ยจึงให้ทานเนี่ยเป็นยังไงกลัวคนอื่นเขาว่าเอาว่าทําไมคนนี้นตนหนีจริงเลยไม่เคยให้กลัวคนอื่นเขาว่าก็เลยให้ซะหน่อยนะนะนะให้เพราะกลัวเขาคนอื่นเขา ข, อขอราหา นะกลัวเขาว่าเอาเช่นอะไรนะเขาอย่างสมัยใหม่ร ก, กะระถินผ้าป่าอะไรเนี่ยคนอื่นเขาให้หมดเราไม่ให้เดี๋ยวก็ว่าเอาก็เลยให้เขาสัหน่อยเนี่ยนะบางพวกนี้ก็ให้เพราะกลัวตกนรกเนี่นะไม่ให้เดี๋ยวตกนรกเป็นต้นฮะไม่ให้เดี๋ยวชาติหน้าอดอยากหิวโหยกลัวตัวเองชาติหน้าจะเดือดร้อนก็ๆๆเลยให้ทานก็ดีกว่าไม่ให้อยู่แล้วละ่ะบางคนเนี่ยให้ทานเพราะนึกพวกที่สามนะให้ทานเพราะนึกว่าเขานี่เคยให้แก่เราเราจะไม่ให้เขาได้อย่างไรอนะอย่างเช่น คนไทยโบราณหน่อยนะสมัยนี้ก็ยังพอมีอยู่พี่เขาจะส่งใครบ้านหนึ่งได้แกงมาก็จะไปยื่นให้บ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่งพอได้มาก็จะมายื่นให้อีกบ้านหนึ่งก็ยื่นกันไปยื่นกันมาแต่ก็เป็นการให้นะไม่ได้คิดว่าจะแลกเปลี่ยนอะไรหรอกทางนี้มีก็ให้อีกทางโน้นทางโน้นมีก็ให้อีกทางนี้เรียกว่าให้เพราะนึกว่าเขาให้เราเราก็ต้องให้เขาคืนสิบางคนให้ทานเพราะเพราะนึกว่าเรานี่จับตอบแทน คือหมายเขาว่าตอบแทนพระคุณเนี่ยนะบางคนนี้นไปให้ทานมีข้าวของเอาไปให้เขาเพราะตอบแทนพระคุณของเขาว่าเขาเป็นผู้มีคุณกับเราเราต้องเราต้องตอบแทนเขานะเราต้องไปขอบคุณเขาเราต้องไปช่วยเหลือเขาเพราะเขาเป็นผู้มีคุณกับเราบางพวกนี้เรียกว่าให้เพื่อตอบแทนนะอย่างโยมมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยจะต้องไปทาบุญเอ่อจะต้องไปไปร่วมงานเพื่อ จะตอบแทนพระคุณของเขาก็คือไปทําไปให้เนี่ยนะเอาข้าวของเป็นต้นไปให้เพื่อตอบแทนพระคุณพวกที่หบอกว่าให้ทานเพราะนึกว่าการให้ทานนี้เป็นเรื่องดีให้ทานนี่ดีนะให้เพราะให้แล้วก็สบายใจให้แล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นให้ทานนี้จึงดีเนี่ยนะต้องให้ไปเธอเนี่ยนะผลรู้แค่เนี้ทําไมจึงให้ทานอ่ะก็ดีอ่ะก็ดีก็ทําไปแค่ะนะี้อย่าไปถามอย่างอื่นมากเดี๋ยวเขาโกรธเนี่ย บางคนก็ให้ทานเพราะนึกว่าเรานี่หุงหากินชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้เราจะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควรอย่างเช่นเราทั้งหลายมีข้าวมีข้าวมีหม้อจะต้องหุงต้มเองเป็นต้นเนี่ยแต่พระพิสูจนทั้งหลายเป็นต้นท่านไม่ได้หุงเองไม่ได้ต้มเองเพราะฉะนั้นเราเนี่ยประกอบอาหารพันท่านเหล่านั้นไม่ประกอบอาหารอันเราก็ให้ท่านนะบางคนนี่ให้เพราะนึกเขานี้จริงๆ นะก็ท่านไม่ได้หงุดหงิดนี่เราหงุดหงิดเพราเราก็ต้องให้ท่านบางพวกให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้ทานแล้วกิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปก็คือให้ว่าคนอื่นเขาจะได้รู้จักเราว่าเราก็เป็นนักให้เหมือนกันนะก็ดีกว่าไม่ให้นะเพดีนะคืออาการที่พูดมาเนี่ยการให้ไม่ใช่ไม่ดีนะพระเจ้าก็ตรัสอยู่แล้วว่าถ้าผู้ใดรู้ผลแห่งการให้ทานเหมือนอย่างเรารู้ถ้าเขาไม่ได้ให้ทานเขาไม่กินหรอกถ้ามีผู้รับอยู่นะ เพราะฉะนั้นจะให้ด้วยเหตุผลใดก็ช่างเถอะให้ไปเถอะอย่าไปตําหนิติเตียนคนสมัยนี้ว่าโอยคนนั้นให้เพราะอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงไปว่าเขาเสอีกเนี่ยนะไปว่าผู้ให้ทานเนี่ยนะเสียหายนะก็เหมือนกขาเห็นเขาทําบุญแล้วไปว่าเขาเสียหายบาปอย่างยิ่งคนที่ไปห้ามคนให้ทานด้วยนี่ยิ่งเสียหายะนะใครที่อย่างสมมุติว่าเห็นเขาให้ทานปรารบจะไปให้คนนั้นก็ไปห้ามเขาอย่าไปให้มันเลยอย่างเงี้ยนะ อันนี้ยประสบบาปไม่ใช่บุญสามสถานอันนั้นได้บาปสามอย่างเลยห้ามการให้ทานเนี่ยนะเพราะนนั้สามีภรยาบางคู่ชอบห้ามกันเหลือเกินที่แน่ๆประสบบาปสามอย่างแน่นอนห้ามหนึ่งคำนะได้บาปไปสามอย่างเลยนะหนึ่งผู้รับอดลาบผู้รับเนี่ยเขาควรจะได้ใช่ไหมถูกตัดลาบไปเรียบร้อยแล้วนะถูกตัดการได้อย่างที่สองผู้ให้ก็อดบุญนะบุญเขาจะเกิดอยู่แล้วจะไปห้ามบุญของเขา บางคนเนี่ยเพราะฉะนั้นใครไปห้ามบุญนี่โกรธมากไม่ชอบเลยเนี่ยนะทำไมมาห้ามบุญกันได้ยังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการห้ามบุญนี่ไม่ดีเพราะฉะนั้นผู้ที่ห้ามทำบุญก็ประสบบาปข้อที่สองก็คือคนอื่นเขาบุญจะเกิดอยู่แล้วไปห้ามไม่ให้บุญเขาเกิดข้อที่สามตัวคนห้ามเองนี่ห้ามด้วยจิตชนิดใดกุศลใช่ไหมไม่ใช่บางคนก็ห้ามด้วยความโลภบ้างบางคนห้ามด้วยความตรนีบ้างบางคนห้ามด้วยริษยาบ้าง อันนะัสรุปว่าคนห้ามก็บาปแน่นอนบาปสามสถานเพราะฉะนั้นเมื่อใดเกิดพบต่อไปเกิดชาติต่อไปเนี่ยนะใครจะเอาของมาฝากหายหมด <c oughs> สมมุติว่าเขาหยิบเอาของจะมาให้เราแล้วใช่ไหมเดินสะดุดนะฮะยกอาหารมาให้เราไปเดินสะดุดอะไรคว่ำหมดเลยอย่างนี้นะดีไหมนั่นแหละโทษของการห้ามเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาให้เรานะถูกบท ถ, กบถูกบังถูกเบียด้ายไปหมดเลยเนี่ยนะนะลักษณะนี้พ่านอยากไปห้ามการให้เลยเนี่ยนะ ของใครก็ใครเขามีศรัทธาจะทําอะไรก็ทำเถิดถ้ายิ่งพระวินัยด้วยนะพระวินัยเนี่ยสมมติถ้าโยมเนี่ยจะเอาอาหารไปถวายอีกภิกษุรูปหนึ่งนะแล้วเขามาบอกอย่าถวายเลยรูปนั้นเอามาให้อดัมาเถอะอันเนี้ยถ้าได้ของนั่นมาเป็นอาบัตอเนี้ยหรือแม้กระทั่งบอกว่าเข า, าบอกว่าเขาจะทําบุญตรงนี้แล้วเราบอกอย่าทําเลยตรงนี้ไปทำกับตรงโน้นดีกว่าไปห้ามตรงนั้นเพื่อ น, น้อมไปอีกตรงหนึ่งก็เป็นอาบัตอีกนะพระวินัยนี่ห้ามไว้เนเะกี่ยวกับเรื่องให้ให้ เพราะฉะนั้นาการห้ามการให้ทานในสรุปว่าขาดทุนวจีกรรมเหมือนกันคำพูดเหล่านั้นเสียหายมากเนียนะแต่ถ้าเข้ามาปรึกษาปรึกษาว่าควรให้ที่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะเขามีอยู่คนหนึ่งพระเจ้าพระราชาเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าควรให้ทานที่ไหนพระองค์บอกว่าไงศรัทธาที่ไหนให้ที่นั่นอะนนะถ้าบอกว่าเขาอยากให้ทานเนี่ยเขาจะให้ที่ไหนดีบอกศรัทธาที่ไหนชอบที่ไหนให้ไปเถอะ ให้ที่ที่เราชอบให้ที่เราเลื่อมใสนั่นแหละแต่ถ้าถามเราว่าทานเนี่ยให้ที่ไหนมีผลมากมีอนิสงฆ์มากก็ต่อว่าให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากมีอนิสงฆ์มากต้องแยกประเด็นนะพระพุทธเจ้าไม่ไม่ห้ามการให้ทานจะไม่มีการห้ามให้ทานเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งในคุณธรรมที่ทําให้ตรัสรู้ก็คือการให้ทานพรานพระพุทธเจ้าไม่เคยการห้ามการให้ทาน มีอยู่ครั้งหนึ่งอุบาลีเครหบดีเนี่ยนะหลังจากที่ฟังธรรมบรรลุเป็นพระอริยสาวกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเครหบดีบ้านของท่านนี้เป็นดุดบ่อน้ำของเดรธีท่านจะทำยังไงกับเขาพระองค์ไม่ได้ห้ามมาอย่าให้แก่นอกศาสนานะไม่ได้ห้ามให้แต่ห้ามสแสวงบุญนอกจากคนนอกศาสนาแต่ไอการให้นี่คนละอย่าง แต่ไปมองว่าคนนอกาศาสนาเป็นเนื้อนาบุญอันนี้ไม่ใช่คนละอย่างพันจึงไม่ได้ห้ามการให้แกคนนอกาศาสนาให้ไปเถอะเนี่ยนะเหมือนหลายคนก็ไปอินเดียเนี่ยนะไอ้พวกพวกขอทานมันคนาศาสนาไหนไม่เกี่ยวสรุ ม, มันหิวกว็ให้มันไปเนี่ยนะแต่ว่าไม่ได้ปรารบเพื่อส่งเสริมเออแกเอาไปแล้วแกไปปฏิบัติในรัฐที่ของแกให้เคร่งครัดให้ดีๆ เอารักษาให้ดีๆเลยนะอย่างเงี้ยอันนี้คนละอย่างกันอันนั้นเรียกว่าสแสวงบุญนอกศาสนาแต่ถ้าให้เพื่อการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์เนี่ยนะปรามีศาสนาที่ไหนเรายังให้เลยใช่ไหมสุนัขมีศาสนาไหมเรายังให้ทานเลยเพรา ะ, ะนั้นให้คนทำไมจะให้ไม่ได้ก็มีได้บุญมากกว่าให้กับเดรฉ า, านอยู่แล้วแต่ไม่ใช่มองว่าเขาเป็นนาบุญแต่มองว่าเขาควรแก่การสงเคราะห์ควรแก่การเกื้อกูลควรแก่การให้เพราะเขาอดอยากเขาลําบากเป็นต้น พันการให้ทานเนี่ยอย่าไปห้ามจะให้เพื่ออยากดังห้ามาให้เพื่อให้คนรู้จักจะให้ด้วยเหตุผลใดก็ช่างเถอะเขาควรให้เพราะการให้เนี่ยนะมันเป็นผลผลดีแก่ตัวเขาเองต่อไปในอนาคตเพราะวัตตะยังอีกไกลพระองค์ย้ำนะมีอยู่ครั้งหนึ่งอุบาสกคนหนึ่งแก่มากแล้วก็บอกบัดนี้ท่านเป็นประดุจใบไม้เหลืองแล้วนะนะสะบียงทางของท่านก็ยังไม่มีมีสเบียงหรือยังเนี่ยนะนะ พราหมณ์สองคนผัวเมียรพราหมณ์สองคนอายุร้อยยี่สิบปีแกมากถือไม่เท้ามาแล้วนะรอยีสิบสมัยพุทธัการเขาเดินได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกข้าพระ อ, องค์นี้เป็นผู้เท่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้วโดยลำดับเนี่ยอายุก็มากขนาดนี้บุญที่บุญก็ยังไม่ได้ทําที่พักต่อไปเนี่ยก็ไม่ได้ทําขอให้พระ อ, องค์สงเคราะห์ด้วยเถอะ อง์ก็เลยสอนมาให้ใ ห, ให้ทานให้ให้ใหทานเพราะทานเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นสเสบียงทางเนี่ยนะเป็นสเสบียงทางต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นคนที่ระลึกถึงทานก่อนจะตายทานนักกุศลตัวนั้นจะนําเกิดเะนั้นเมื่อเกิดณภพใดก็เป็นผู้มีฐานะมากเนี่ยนะเป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนในเรื่องปัจจัยสี่พันจึงไม่ได้มีการห้ามให้ทานผู้ศาสนาสันเสริญการให้ พระพุทธเจ้าเทศที่ใดโดยมากจะแสดงอนุปุพิกถาแสดงธรรมะโดยลำดับนับหนึ่งการให้ทานสองการรักษาศีลเพราะว่าการผู้ให้มีศีลผู้รับมีศีลจึงจะมีผลมากมีอ น, นิสงส์มากเป็นต้นอันพระองค์ก็แสดงศีลทีนี้ผลของการให้ทานรักษาศีลทำให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์สุคติก็แบบเราเราเนี่ยนะเป็นไงดีไหม อายุ80ไปแล้วเนี่ยนะยมมาเล่าเมื่อกี้บอกว่าโอ้ยมีแต่คนป่วยคนไข้เลยก็ธรรมดาขันห้ามันก็เป็นอย่างนี้แหละขันห้านี่โรคขโตขันห้านี่แหละคือตัวโรคเพราะฉะนั้นถ้ามีขันห้าที่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่มีโรคมันก็เป็นอย่างนี้แหละขันห้าอันการให้ทานนี่มีอยู่แปดประการ <c oughs> ทีนี้ข้อสุดท้ายที่บอกว่าบางคนให้ทานเพื่อประดับปรุงแต่งจิต ให้ทานเพื่อแต่งใจให้ทานเพื่อตกแต่งจิตนี่เป็นอย่างไรก็คือบอกว่าจิตตาลังการะจิตตปริขารถังทานังเดติความว่าให้ทานเพื่อประดับและตกแต่งจิตด้วยอำนาจสมถะและวิปัสนาเออให้ทานเพื่อตกแต่งจิตให้เป็นสมถะวิปัสนาเป็นยังไงอธิบายว่าเพราะว่าทานย่อมทำจิตให้อ่อนโยนนะลองใจแข็งแข็งใจหยาบยาบกระด้างกระด้างแล้วให้ทานดูสิ ให้เสร็จนะและเจริญกรรมาฐานไม่ยากอย่างเช่นเรากําลังมีโทสะอยู่นะแล้วให้ทานเนี่ยเราจะเจริญเมตตาได้ไม่ยากเพราะการให้ทานเป็นลักษณะหนึ่งของเมตตาที่หยิบยื่นประโยชน์ไปให้แก่ผู้รับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราโกรธใครนะถ้าเราให้ของของเขาไปให้ของเข้าไปให้อะไรเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขานะต่อไปเราจะเลิกโกรธคนนั้นเลยเจริญเมตตาแก่บุคคล น, นั้นสบายๆเนะ่ยนะ และขณะเดียวกันบุคคลผู้ได้รับทานย่อมมีจิตอ่อนโยนดีว่าเราได้แล้ว น, นะเพราะฉะนั้นคนที่รับนี่เขาก็ใจดีคนให้ก็ใจดีคนรับก็ใจดีคนหน้าเบึ้งอยู่นะสังเกตถ้าได้เขาได้ทานมานะยิ้มทันทีเลยคิดดูเออนี่ยนะกําลังเครียดเครียดอยู่นะบอกว่าได้รับรางวัลเนี่ยแหมดีใจมากเลยทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นอะไรจะเท่าการได้ไม่มีอีกแล้วทั้นผู้ที่ให้เนี่ยนะ ใจก็เป็นใจก็เป็นใจที่ดีใจที่อ่อนโยนผู้รับก็ใจดีเรียกว่าสถานการณ์ดีหมดเลยทันทีถ้ามีการให้ถ้ามีการหยิบยืน่นเพราะฉะนั้นการให้ทานเนี่ยทํทำ ท, ำทั้งทั้งผู้ให้ใจอ่อนโยนผู้รับจิตก็อ่อนโยนทานนั้นชื่อว่าทําจิตของบุคคลทั้งสองฝ่ายให้อ่อนโยนเพราะฉะนั้นการให้ทานเป็นการฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึก นะจิตเมื่อใดที่จิตแข็งกระด้างก็แสดงว่าจิตอ น, นั้นไม่เป็นไ ป, ไ, ปไม่เป็นไปกับการให้ทานพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอะทานตะมะนังทา น, นังอะทานังอะทานตะสูทักกังอเนนะปิยวาเจนะออโอนมันตินมันติจแปลว่าการให้ทานเป็นเครื่องฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกสังเกตดูนะเมื่อใดตรึกพระธรรมอ็ไม่ได้เรื่อง อานพระธรรมก็ใจก็ไม่สนุกลองไปให้ทานดูแล้วกลับมาอ่านใหม่นะกลับมาเจริญกุศลประเภทสมะถะวิปัสนาใหม่ใจจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นบางคนเนี่ยศึกษาธรรมะเยอะๆเนี่ยนะกว้างขวางลึกซึ้งอะจริงอยู่แต่ว่ามีความสุข ก, การให้ทานโอ้โเวลาให้ทานมีความสุขมากสุขกว่าการเจริญสมะถะวิปัสนาด้วยซ้ําไปบางทีเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการให้ทานเป็นเรื่องธรรมดาแต่ขณะเดียวกันก็อย่าไปถือว่าทานเนี่ยสูงสุดแล้ว ทานเป็นเบื้องต้นเท่านั้นแลทานเป็นเบื้องต้นเท่านั้นแหละบางคนก็เลยทงจะเอาแต่บุญสูงสุดเนี่แหละก็เลยไม่สร้างให้ทานเลยก็มีอันนั้นก็เกินไปอก็ลอยทงอ่ะนะจะอยู่แต่บนอากาศไม่อยู่ว้านอยู่เรือนเลยนะไม่อยู่ที่บนแผ่นดินอะไรสักอย่างการให้ทานเนี่จริงๆสําคัญมากเป็นฐานระดับล่างถ้าโยมทั้งหลายเนี่ยที่มาฟังธรรมถ้าไม่มีผลแห่งการให้ทานมาแม้แต่รถจะนั่งมาก็ไม่มีเสื้อผ้าจะนุ่งห่มมาฟังธรรมก็ไม่มี อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้แห่งชีวิตก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่เราได้มาก็เพราะผลแห่งการให้ทานเพราะฉะนั้นทานนี้จึงเกื้อกูลต่อการบําเพ็ญบารมีทั้ง1ิบของพระพุทธเจ้าแล้วก็ขณะเดียวกันผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะที่เป็นคนไม่ให้ทานแล้วบรรลุธรรมไม่มีหรอกแต่ที่อย่างผู้ที่ไม่ให้ทานแล้วบรรลุธรรมแล้วบรรลุธรรมเสร็จแล้วก็ตนีเท่าเดิมเลยเนี่ยมีหม ไม่มีเนี่ยนะเพราะยิ่งพระอริยสาวกท่านถือว่าของของท่านเป็นสาธารณะแก่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์คือทรัพย์สินของท่านที่มีอยู่ท่านถือว่าเป็นสาธารณะแก่ผู้มีศีลทั้งหลายแต่ไม่ใช่เอาไปให้คนชั่วละเลงนะแต่หมายคาอว่าสาธารณแก่คนมีศีลทั้งหลายเพราะคนผู้มีศีลทั้งหลายจะรู้จักประมาณในการสแสวงหารู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการใช้ใจ่าย เสียสละออกไปนนะเมื่อมีการบริโภคก็มีการพิจารณาอย่างละเอียดทีท่วนเป็นต้นเพราะฉะนั้นการให้ทานนี่จึงเป็นงานฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกแต่การตรณีเนี่ยนะเป็นเครื่องประทุสล้ายจิตที่ฝึกดีแล้วฝึกจิตมาเป็นอย่างดีกลายเป็นคนตนีไปเลยเสียหายไหมเสียหาย เพราะฉะนั้นชนทั้งหลายมีจิตอ่อนโยนและน้อมลงด้วยปิยะวาจาสรุปนะโลกนี้ที่สําคัญหนึ่งก็คือคําพูดอันเป็นที่รักปิยปิยแปลว่าอันเป็นที่รักวาจาคําพูดวาจาแปลว่าคําพูดคําพูดอันเป็นที่รักในโลกนี้คําพูดที่ดีคําพูดที่ยังอีกฝ่ายหนึ่งให้ให้รักเนี่ยนะคำพูดเหล่านั้นเป็นคําพูดที่ดีทําจิตให้อ่อนโยนเพราะอีกฝ่ายหนึ่งไปพูดด้วยคําพูดที่แข็งกระด้างอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกเหมือนกับ อะไรหาก้านบัวมาแย่ที่หูเนี่ยนะขนาดว่าสำลีพันไม้ยังมามาปันป่นๆยังรู้สึกว่าเจ็บเลยใช่ไหมจะกล่าวไปใหญ่ถึงก้านบัวเราก้านบัวหลวงเลยนะเนี่ยนะไม่ใช่บัวบัวแกงส้มนะบัวหลวงเนี่ยโยมเอ้ยยังเอาเลื่อยเนี่ยมาครูดเลยแหละ น, นะนั่นแหละคําพูดที่ไม่ดีก็เป็นเช่นนั้นคิดดูนะว่าคำเดียวกันถ้าเราได้ฟังเราจะมีความสุขไหมล้วก็ย้อนกลับมานะคาคำเดียวกันนี่แหละ ถ้าผู้อื่นพูดกับเราเราจะมีความสุขไหมแล้วเราเนี่ยไปพูดคาเหล่านั้นให้ผู้อื่นฟังเราก็ไม่สบายใจผู้ฟังเองก็ไม่ไม่สบายใจเนี่ยนะใจที่ไม่สบายเรียกว่าใจที่ป่วย น, นก็เป็นความป่วยทางความคิดอีกชนิดหนึ่ง